แต่ต่อมาพายหลังมาภายหลังเธอบ้ากลับเรียกเพียนมาเป็นพระโคเลย และชาวบ้านเชื่อกัน ลูกแก้วผู้บารมีของหลวงปู่ทวดเป็นลูกแก้วที่มีลักษณะที่ผิด แต่องค์ท่านจึงรักษาของเดิมไว้จนถึงปัจจุบัติมา เป็นไม้เท้าที่องค์ต่างๆชาวบ้านเคารพนับถือเชื่อกัน จึงนํามาเก็บรักษา ตัวบ่ออยู่บนเขาพระโขกเล่ากันว่าเป็นที่ ขึ้นมาปัจจุบันมีอายุรากว่าบุญเผยแผ่ 400 ปีแล้ว ที่ชนรุ่นหลังจะได้ศึกษาหาความรู้เราได้รับ 97 ในสมัยของพระครูวิไสยโสคนหรือ และได้มีการสร้างสืบสืบต่อกันมาได้มีการสร้างสืบต่อ 2512 วัตถุประสงค์ของการ ซึ่งท่านได้มีสมัยยุคการได้ สมนาคุณหรือฉลองศรัทธาญาติโยมที่ร่วมๆของวัดทางให้ซึ่งๆกันมาเช่นเอาไปทําคุณ ทำคุณไปเกิดกิจสาธารณประโยชน์บ้างแล้วแต่ และปัจจุบันท่านก็ได้เจริญรอยตามหลวงคือได้จัดสร้างวัตถุมงคลพูดทวดส่วนบุญญาทินหารไว้คือเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชน เมื่อได้นําวัตถุมงคลของขึ้นและ เมื่อใครมีพระเครื่องหลวง แม้กระทั่งพระอบอสรก็สมฤทธิ์มากมีซึ่งได้รับมอบหมาย ในนิมิตได้มี